Book two. This song. Tong. s n t t o t chisheb psukutura. To chisheb psukutura. t o n g s h g n f a y e s o n f e t g s h g n f a y e สระหันไดิฉันต้องส่งจดหมายเซิสมาสระหัเซิสมาสระหันไฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมเซฮัจเอชิปจรสตินฟ่เซฮเชิปสตน คุณต้องตื่นแต่เช้าว่าโจวอุว่าโจวตะจินไคุณต้องทำงานมากว่าอฟเบพชั อ, อนัออนคุณต้องตรงเวลาสุปกากเพ n Subcarburation fire เขาต้องเติมน้ำมัน Ash r u s t เขาต้องซ่อมรถ Ash m a c h i n e r เขาต้องล้างรถ Ash m a c h i n e r a t t a c h i n fire เธอต้องซื <Fahrenheit. S 2> ้อของ Er s h a v f e n fire เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ash w n n r t e ichun f i e Ash n r e i h n f i e เธอต้องสักเสื้อผ้า Ar hujen f i e Ar n f i e เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ t e jidadam ye japam t u c n f i e t e jidadam เยจับมทุกวันไเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เทจเดมออฟฟิกเจุดเดมออฟฟิศเอทกวเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เจุดเดมวราชุมดชทุก อ, อนันไฟเทจุเ ด, ดม วราชุฟพวกคุณต้องรอรถเมรถสินสน์ส์สื่อเจนไฟะรถบัสินส์ส์สพวกคุณต้องรอรถไฟมาสคุณส่สอจนฟคุณ พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่แท็กซี่ช่อเจนไฟเท็กซี่ช่อเจนไฟ